เราก็ทำได้จริงๆริงเวลาใดมันหลงเราก็สร้างัวมรู้ความรู้สึกตัวตเราก็มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาก็ได้ไม่เสียหายเวลาหลงก็รู้ลยไม่เสียหายถ้าหลงหลงไปเลย น, นั่นไม่ดีเนินช้าแต่มันหลงหลงไปก็จะได้รู้ เราไม่หลงก่อสร้างตัวรูดอยู่นี่ละไอ้ตัวรูดเสกตัวรูดเสกเตัวอยู่นี่การกระทาด้วยมือของเราโดยชีวิตของเราเองไม่มีใครทพิทําให้เราได้ต้องมีความมั่นใจขนาดนั้นล่ะไม่แต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้การกระทําเป็นเรื่องของเราเอง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 มันหลงอะไรก็พร้อมที่จะลูกเนี่ยพรเรามีพร้อมอยู่ทุกโอกาสมันทุกขอกพร้อมที่จะดับทุกให้มันได้ไมันใช่ไปอ้อนวอนจะทำจิตอื่นสิ่งอื่นดอกตาหะตาเหตะตโนนาโถนี่แหละเปานี่แหละจะเป็นผู้กกรทมเรื่องพวกรร เ, พรเรามี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 ให้ข้อมูลดีๆแก่ชีวิตเราอย่างไหนมาไม่ดีเราเปลี่ยนเป็นดีปฏิคือเปลี่ยนไล่ใจเป็นดีเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูกปฏิบัติาทางไหนไห้ไม่ดีทางตาทางหงูเปลี่ยนเป็นความดีเป็นความรู้จากตัวได้ทั้งนั้นเปลี่ยนได้ทั้งหมดอย่างไหนที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเปลี่ยนเป็นตัวลูก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 ไม่ต้องไปอ่อนอ่อนเปลี่ยนได้ทันทีวานได้พูดถึงเรื่องโลกเรื่องนม้มโลกมันทำน้มมันทำนะะโลกมันทำดีน้มมันทำดีโลกมันทำชั่วน้มมันทำชั่วตัวสติเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นโลกทำน้มทำมันธรรมชาติที่มันมีกับโลก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 แต่น้ำมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราพัฒนามันมั่นคงในที่อยู่ไม่จนแต่บางคนจนมากๆข่มไลายคมดีบางชีวิตนะอวันดีสี่วันล้ล่จนไม่รู้จะทำอย่างไรอะไรมาก็เอาหมดรับเอาหมดไม่เป็นตัวของตัวไม่เป็นอิสระรับใช่รับเป็นทาตของอารมณ์โอ้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 แกไม่จบไม่สิน้นต้องกินความหนาวผมผ้าแถมก็ยังหนาวอยู่ความร้อนก็อาบน้ำรันนี่ของกินแลยในโลกเนี่ยบางคนไปกินกับลกูกผลปอยที่จะเอากินกับลกูกเอาโอกาสวิ่งหาเป็นท่าของโลกตลอดเวลาก็ไม่ศกศกศกศกหาความสุขแบบปีนป่า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 แต่ก็มีมีเอนสีที่สำรวมได้ดีกว่าคนที่มีตามีหูมีขามีแขนอยากกิลุกลุกไปเลยอยากเกิดนั่งนั่งลงเลยบางทีเอาไว้จะว่ามันมีโอกาสทําไมหลงได้กานําคนไม่มีโอกาสอยากลุกก็ลุกไปได้อยากไปจับนนท์อยากไปเดินไปตรง น, นมันก็เดินไปไม่ได้ก็เลยสำรวม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 ่าให้ตามันใช่อย่าให้หูมันใช่ตลอดถึงจิตใจก็เอาใจมาใช้เอาจิตมาใช่สิเรานี้เป็นคลังของสติสติเป็นเจ้าของยิดมันมาใช้ใช่ปัญญาด้วยสตินะีมัอนกับคลังของสติจับมันมาใช้แต่ถ้าเราไม่มีสติมันจะใช่เราจิตใจมันจะใช่เรา ตามจะใช่เราซอกซอกซอกซอกโมนีลจริงๆริงปฏิบัติธรรมนะมีข้อมูลที่ทำไมเกิดพุท ธ, ธะเยอะแยะมากปายกายกองเรามีหลักถ้าเราไม่มีหลักก็เกิดข้อมูลทำให้หลงมากทีเดียวละ่ะโชคดีเหลือเกินที่พวกเราเวลานี่วันนี้เรามี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 เราสงบปุ๊บเป็นมาโอ้ตกใจปืนขึ้นมารู้อ๋อตัวนี่มันตัวหลงอีกโย้ขึ้นมามันรู้ได้มันทำได้อย่าไปอ่อนเอย่าคล้อยตามเลยง่อย่าให้เขามาหิ้วไปง่ายง่ายอ๋อจนี่เป็นตัวหลอกเก่ง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 ดูกายก็เห็นจิต ด, ดูคิดก็เห็นธรร ม, มน้งเขาพูดกันไอ้พูดตามเขาว่ามันก็จริงนะเรากายมันก็เห็นจิตเ้าเราอย่าไปหารายละเอียดการเคลื่อนไหว น, นี่ก็ ค, คือจิตนั่นแหละคือประสาทคือสัญญาที่มันลู่จิตที่เราสั่งให้เคลื่อนไหวยิงอยู่ออยก็อย่าไปอย่าไปมุ่งาหารายละเอียดให้ลู่เฉยๆได้หละในกายเนี่ยกายจริงๆเนี่ยเห็นกายเนี่ยลู่จริงๆอยู่ยนะ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 ทำไปทํามาก็มือนั่งเอาเมือวางไว้มืนถังนั่งสงบ <c oughs> <c oughs> อย่างนี่ดีกว่าจะไม่ดีกว่าเราชอบแบบนี้ดูก็สวยงามกว่าสงา่ากว่ามานั่งสร้างก้นวันมันไม่สง่าเลยบางทีอายเพื่อนแอกทําในกติมันคิดสารพัดอย่าง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 ดีว่าสักกะยทิทฐิเนี่ยไม่มีตนอยู่ในกายมีแต่ธรรมชาติมีแต่อาการเห็นธรรมชาติเห็นอาการอ้าวอ้ะวพอแล้วจะได้ไปทำตัวละอ